สัตว์ที่วิหาริกไม่ขอเข้ามาสมัยนั้นสัตว์ที่วิหาริกทั <uses> ้งหลายถูกประนามแล้วก็ยังไม่ยอมขอเข้ามาอุปชาภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สัตว์ที่วิหาริกขอเข้ามาอุปชาสัตว์ทวิหาริกทั้งหลายก็ยังไม่ยอมขอเข้ามาอุปชาอยู่เช่นเดิม